รุ่งอรุณที่สุขโตตอนคุณค่าแห่งปัจจุบันการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าทำกรรมฐานสมาธิภาวนาหรือการบำเพ็ญเพียรทางจิตจุดหมายเบื้องต้นก็คือหาที่พักให้กับจิตใจของเราจิตใจของเรา ที่ผ่านมาอาจจะระเหเร่ร่อนไปโน้่นมานี่ดิ้นรนกระเสือกกระสนเรียกว่าเร่ร่อนจรจัดก็ได้ลุงพ่อคำเขียนท่านเรียกหนักยิ่งกว่านั้นท่านเรียกว่าจิต ส, สับสนหรือโซเพนีจิตเรามาปฏิบัติก็เพื่อหาที่พักให้กับจิตใจของเราเขาจะได้ไม่ตลอนตลอนออกไปข้างนอกแล้วก็ไปติดกับดักแห่งโลภะ โทสะโมหะถึงแม้จะหลุดมาได้แต่ก็ไม่ได้หลุดมาเปล่ า, ลามักจะคว้าเอาความทุกข์กลับมาให้เราเอาไฟโทสะไฟโลภะไฟโมหะมาเผาลนจิตใจของเราจนหาความสงบไม่ได้ในการปฏิบัตินี้เราต้องการหาที่พักเพื่อให้จิตใจของเราได้กลับมาอยู่เป็นที่เป็นทางเพื่อให้เกิดความตั้งมั่น ความสงบและพบกับความสุขทีนี้บ้านซึ่งจะเป็นที่พักจิตคืออะไรถ้าพูดแบบรวบรัดก็คือปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะหมายถึงอะไรหมายถึงที่นี่หมายถึงตรงนี้รวมถึงสิ่งที่เรากำลังทำในขณะนี้ด้วยการทำให้จิตกลับมาสู่ปัจจุบันขณะให้กลับมาสู่ที่นี่ เดี๋ยวนี้และสิ่งที่กำลังทำขณะนี้เป็นเรื่องสำคัญมากมันเป็นหัวใจของการมีชีวิตที่ผาสุกและมีกำลังในการทำสิ่งต่างๆให้บรรลุผลด้วยดีทำไมจึงพูดอย่างนั้นก็เพราะถ้าเราพิจารณาดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราส่วนใหญ่ล้วนเป็นเพราะเราไปอยู่กับอดีตหรือไม่ก็ไปอยู่กับอนาคต ความทุกข์ของคนเราหนี้มักเกิดจากการไปหมกมุ่นกับอดีตหรือไม่ก็กังวลในเรื่องอนาคตเช่นกังวลเรื่องงานการห่วงว่าเมื่อไหร่จะเสร็จอีกตั้งนานกว่าจะถึงเสร็จแล้วก็ไม่รู้เป็นไงเจ้านายเขาจะว่าหรือเปล่าหรือไม่ก็ไปกลุ้มอกกลุ้มใจกับเรื่องที่ผ่านมาทําไมเขาต้องว่าฉันอย่างนั้นด้วยโทษไม่น่าทําพลาดเลยโทษตัวเองไม่เลิก หรือไม่ก็ยังโทษคนอื่นอยู่นี่เรียกว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันบางทีก็ไปกังวลกับเรื่องนอกตัวที่ไกลเกินเอื้อมเช่นอยู่นี่แต่ไปห่วงกังวลลูกหลานที่บ้านห่วงการงานที่ข้างค้างอยู่ขณะนี้แต่มันคนละที่กับที่เราอยู่ตอนนี้นี่ก็ไม่เรียกว่าเป็นปัจจุบันปัจจุบันคือที่นี่ขณะนี้ และสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังนั่งอยู่กำลังฟังอยู่เราก็มีจิตจดจอ่ออยู่กับสิ่งที่เราได้ยินถ้าเราปล่อยใจฟุ้งซ่านเมื่อไรปล่อยใจออกจากสารานี้เมื่อไหรนั่นก็ไม่เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันและพอไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเมื่อไรความทุกข์ก็ตามมาบางคนบอกว่าไม่ทุก สุขต่างหากเพราะใจไปนึกถึงความสนุกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ได้ไปเที่ยวโน้น่นเที่ยวนี่นึกถึงที่ที่เคยไปเช่นตะรุเตาเขาใหญ่ภูหลวงนึกถึงภาพวิวทิวทัศน์งดงามที่นั่นจิตใจก็สบายอันนั้นก็จริงอยู่มันสุขแต่ก็สุกชั่วคราวเพราะถ้าปล่อยให้มันฟุ้งไปได้ง่ายต่อไปมันก็อาจจะฟุ้งไปในเรื่องที่ไม่น่าพอใจ ทำให้เป็นทุกข์จะห้ามก็ห้ามไม่ได้เพราะมันมีนิสัยชอบฟุ้งเสียแล้วจิตที่ฟูง่ายมันก็ฟุกง่ายเหมือนกันถ้าลอยอยู่บนฟ้าสูงมากเท่าไรเวลาตกลงพื้นมันก็เจ็บมากเท่านั้นแต่ถ้าอยู่บนพื้นก็ไม่ต้องกลัวว่าจะตกมาเจ็บจิตที่ไม่ฟูไม่แาบเป็นปกติเป็นจิตที่มีความสุขลึกๆเรีย บ, เ, ยบเหมือนกับเรากินน้ำเกล่า น้ำเปล่าไม่มีรสชาติไม่มีสีสันแต่มันกินได้นานน้ำหวานน้ำอัดลมกินมากๆเป็นอย่างไรฟันผุความดันขึ้นเบาหวานถามหาคนเราถึงที่สุดก็หนีไม่พ้นน้ำจืดหรือน้ำฝนนี้เป็นของแท้ที่ชีวิตต้องการความปกติจากการอยู่กับปัจจุบันไม่ฟูไม่แฟบก็เช่นกัน มันชื่นใจและยั่งยืนกว่าสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่การอยู่กับปัจจุบันอยู่กับอิริยาบทหรืองานการที่เรากําลังทำขณะ น, นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายใจมันมีแต่จะฟุง้งทำงานประเดี๋ยวเดียวมันก็แวบไปแล้วกําลังกินข้าวอยู่แทนที่จะอยู่กับการกินข้าวซึ่งเป็นปัจจุบันมันกลับฟุ้งไปโน่นไปนี่ สำหรับคนใหม่การมีสติอยู่กับงานการเป็นเรื่องยากด้วยเหตุนี้เราจึงสร้างอเริยบทง่ายๆขึ้นมาได้แก่การเคลื่อนไหวการสร้างจังหวะการเดินจงกรมอันนี้เรียกว่าการสร้างปัจจุบันเพื่อให้เป็นที่อยู่ของจิตให้ถือเอาว่าการสร้างจังหวะการเดินจงกรม เป็นปัจจุบันที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้จิตมาอยู่อยู่ดีๆจะให้เรามีสติอยู่กับงานการหรือกิจวัตรต่างๆมันทำยากเพราะงานการหรือกิจวัตรเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการล้างจานถูบ้านซักผ้ากินข้าวเราคุ้นกับการฟุ้งซ่านเวลาทำกิจกรรมเหล่านี้มานานแล้วลงมือทาเมื่อไหร่ก็ฟุ้งเมื่อ น, นั้นฉะนั้น จึงต้องเอาอีเดียบ ท, ที่ง่ายๆพื้นๆมาเป็นบ้านให้จิตได้พักพิงฟุ้งซ่านเมื่อไรให้กลับมาที่ความรู้สึกจากการเดินและการสร้างจังหวะจะฟุ้งซ่านแค่ไหนคิดไปไกลแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนไม่สำคัญขอให้กลับมาก็แล้วกันความก้าวหน้าในการปฏิบัติของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าจิตมันสงบแค่ไหนจิตคิดน้อยแค่ไหน นั่นไม่ใช่ตัววัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติความก้าวหน้าของการปฏิบัติแบบเจเริญสติอยู่ที่ว่าจิตได้กลับมาสู่ออเรียบทปัจจุบันแค่ไหนฟุ้งไปมากแต่ว่ากลับมาไวดีกว่าสงบแต่พอเผลอคิดก็เตลิดไปไกลเลยฟุ้งมากแต่กลับไวกลับมาบ่อ ย, อยจะเป็นโอกาสให้สติได้เติบโตไวขึ้นเพราะหน้าที่ของสติคือ การระลึกได้แล้วกลับมาเร็วสติคือความระลึกได้เมื่อจิตระลึกได้ว่ากาลังฟุง้งกำลังหลุดออกจากปัจจุบันไปอยู่กับอดีตรหรืออนาคตเมื่อระลึกได้ก็กลับมาสู่การเคลื่อนไหวการเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือตามลมหายใจการกลับมานี้แหละจะช่วยให้สติเจริญงอกงามมากขึ้นเป็นการฝึกสติให้ไว เป็นการสร้างนิสัยใหม่นิสัยใหม่คือนิสัยที่อยู่กับปัจจุบันนิสัยที่ไม่ลืมรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะที่ว่ากำลังลบลางนิสัยเดิมที่สะสมกันมาหลายสิบปีตลอดช่วอายุของเราจนถึงปัจจุบันก็ว่าได้การละนิสัยเก่าไม่ใช่เรื่องง่าย ฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจที่ใจมันลอยออกไปข้างนอกตลอดเวลาไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างกลับไปกรุงเทพบ้างไปบ้านบ้างการทวนนิสัยเดิมๆไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาต้องใช้ความพยายามความอดทนมันฟุ้งออกไปก็ให้คิดว่าไม่เป็นไรหน้าที่ของเราคือรู้สึกตัว รู้ว่าเผลอเมื่มอไรก็ให้กลับมากลับมาการกลับมาบ่อยๆนี้แหละจะช่วยลบล้างนิสัยเก่าๆเพราะเมื่อจิตกลับมาสู่ปัจจุบันบ่อยๆจิตก็จะ เ, เร่ร่อน จ, นจนจัดน้อยลงอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นเกิดเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมมากขึ้นความคิดที่เผลอคิดจะเริ่มสั้นลงจากที่เคยฟุง้งยาวเป็นขบวนรถไฟก็ค่อยๆหดสั้น จาก15ขบวนก็เหลือ 14, 13, 12, 11ขบวนจนกระทั่งเหลือไม่กี่ขบวนพอคิดปุ๊บ ก, ก็รู้ปับ๊บแล้วกลับมากลับมาที่ไหนกลับมาที่อิรยาบทปัจจุบันเมื่อจิตกลับมาบ่อยๆจนกระทั่งเป็นความเคยชินเป็นนิสยัยความฟุ้งก็จะลดลงไปเรื่อยๆนี่หมายถึง จิตมีที่พักแล้วจิตมีบ้านแล้วเมื่อมีบ้านแล้วเป็นยังไงก็เกิดความอบอุ่นขึ้นมาเกิดความสงบมีกำลังเพราะได้พักผ่อนแต่ก่อนมันคิดฟุ้งตลอดเวลาคิดเรียวราชมันก็เหนื่อยสิคนที่เร่ร่อนจอนจัดตลอดไม่รู้จักหยุดก็ย่อมเหนื่อยล้าแต่พอจิตอยู่เป็นที่เป็นทางก็เริ่มสงบมีกาลังสดชื่นแจ่มใส จะทำอะไรก็ทําได้ด้วยความตั้งมั่นและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อเทียนสอนเราไม่ได้เน้นความสงบถ้าเน้นความสงบก็จะพยายามห้ามความคิดไม่ให้มันคิดไม่ให้มันฟุง้งแต่การไปห้ามความคิดนี่ถามว่าช่วยให้สติมันโตไหมมันไม่ช่วยเพราะสติไม่ได้ถูกใช้ไม่ได้ถูกฝึกให้ทํางานบ่อยๆ มันก็เลยอ่อนแอเหมือนนักมวยที่ไม่ค่อยได้ซ้อมเลยก็ชกไม่เก่งจิตที่สงบไม่มีความคิดใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่าอาจเป็นความสงบที่ขาดสติก็ได้หมายความว่ากำลังสงบอยู่ดีๆพอมีเสียงฟ้าร้องเสียงกิ่งไม้ตกลงมากระแทกหลังคาก็ตกใจสะดุง้งหรือพอมีคนมาเรียกกลางดึก ขณะกำลังเพลินกับความสงบในสมาธิก็สะดุ้งขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมาธิที่ไม่มีสติเราอย่าเพิ่งเอาสมาธิตอนนี้เราเอาสติไว้ก่อนคือความระลึกได้ความรู้ตัวความระลึกได้และความรู้ตัวนี่จะนำไปสู่ความสงบเองเป็นความสงบที่เกิดจากสติเป็นความสงบที่เกิดจากละวาง ความคิดฟุง้งซ่านแค่ไหนก็ไปไม่ไกลเพราะถูกสติเรียกกลับมาเป็นความสงบเพราะจิตมีที่พักอยู่กับปัจจุบันด้วยการกำกับดูแลของสติฉะนั้นอย่าไปกังวลว่าทำทั้งวันทำไมมีแต่ความคิดนั่นไม่เป็นไรคิดเมื่อไรกลับมาก็แล้วกันปฏิบัติไปเถิดบางคนไม่มีความคิดออกมาเลย หลวงพ่อเทียนท่านก็จะแนะนำให้ทำความเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นเพื่อให้ความคิดมันออกมาสติจะได้มีงานทำเหมือนนักมวยที่มีคู่ซ้อมเสมอสติก็ต้องกานคู่ซ้อมคู่ซ้อมคืออะไรก็คือความคิดฟุ้งซ่านพอมันฟุ้งไปรู้ตัวก็กลับมากลับมาทำแบบนี้บ่อยๆสติจะไว คุณสมบัติของสติที่ดีคือเคลื่อนไหวเร็วเหมือนลูกศรเล่นไปได้เร็วต่างจากสมาธิซึ่งมีลักษณะตั้งมั่นนิ่งสงบมีกำลังสติมีลักษณะว่องไวรวดเร็วประลึกได้ไวรู้ทันความคิดและอารมณ์ความรู้สึกได้รวดเร็วจะรู้ทันได้ก็เพราะมีคู่ซ้อมอยู่บ่อยๆแต่ในขณะที่เราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆ อย่าเพิ่งหาคู่ซ้อมเพราะเพียงแค่ให้อยู่กับอเรียบดเฉยๆก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วส่วนความคิดจะฟุ้งไปแค่ไหนอย่าเพิ่งสนใจมันอย่างไรก็ตามเพื่อช่วยกันปฏิบัติที่นี้เราพยายามสร้างเหตุปัจจัยให้ความคิดล่นช้าลงไม่ฟุ้งง่ายเกินไปการที่เรามีข้อกาหนดให้ไม่พูดไม่คุยกันไม่ต้องอ่านหนังสือ ไม่มีโทรทัศน์ให้ดูเหล่านี้ก็เพื่อช่วยทําให้ความคิดช้าลงการอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ความคิดจะช้าลงโดยปริยายเพราะสิ่งกระตุ้นผัสสะมีน้อยเมื่อจิตมีสิ่งกระตุ้นน้อยก็ฟูงสั้นน้อยลงความคิดแล่นช้าลงไม่ออกมามากสติที่งุ่มง่ามเชื่องช้าก็พอจะสู้กับมันไหวคือพอจะไล่ตามทันมันบ้าง เรียกว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกันถ้ามีสิ่งกระตุ้นจิตมากความคิดจะออกมามากและเร็วสติที่งุ้มงามจะไล่ตามไม่ทันมันก็จะแพ้อยู่ร่ำไปผู้ปฏิบัติก็จะเกิดความท้อถอยได้ง่ายแต่ถ้าพยายามทําให้ความคิดมันเฉื่อยลงสติก็จะตามทันความคิดและมีกำลังมากขึ้นจนกระทั่งความคิดเพียงแค่โผออกมา ไปไม่ทันถึงไหนก็ถูกสติตามทันจนไม่อยากจะออกมาเลยถึงตอนนั้นเราถึงค่อยกระตุ้นความคิดให้ออกมาบ้างเช่นเตินให้ไวขึ้นสร้างจังหวะให้เร็วขึ้นแต่นั้นมันสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์แล้วเป็นการฝึกในขั้นตอนต่อไปถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกวิธีการสร้างจังหวะการเดินจงกรม มันก็จะเป็นบ้านของเราเป็นที่พักเป็นเสาหลักเป็นเสาพิงมันไปไหนมันออกไปข้างนอกเมื่อไรมันรู้มันก็กลับมากลับมาพิงเสานี่แหละแต่ถ้าไม่มีเสาทำยังไงมันก็ไม่กลับมาพอเห็นไม่มีที่พิงที่ยึดมั่นมันก็ไปต่ออันนี้คือเหตุผลว่าทำไมต้องสร้างอีริยาบถเคลื่อนไหวเสมอ อย่าไปยึดติดอยู่แค่อิริยาบทสองอย่างคือสร้างจังหวะกับเดินจงกรมเท่านั้นไม่พอเพราะเวลาเรากินข้าวถูฟันเราสร้างจังหวะไม่ได้เราก็ต้องใช้การเคลื่อนไหวในอิริยาบทนั้นๆแหละเป็นที่ให้จิตมากอบเวลาอยู่เฉยๆกำลังคลายอิริยาบทอย่าอยู่เปล่าๆให้กละ่องนิ้วไปด้วยให้จิตมีที่เกาะที่ยึดถ้าอยู่เฉยๆ จิตไม่มีที่ยึดมันก็จะหนีไปเที่ยวแล้วคราวนี้ก็ต้องเสียเวลาไปตามมาอีกตอนปฏิบัติใหม่ๆเราก็ใช้อิรยาบถการเคลื่อนไหวทั้งที่จงใจสร้างและที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติให้เป็นที่เกาะของจิตแล้วถ้าจิตของเราเปลี่ยนนิสัยใหม่ขึ้นมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ถึงตอนนั้นแล้วเวลาเราเปลี่ยนจากการทำงานทางกาย หรอการเคลื่อนไหวอิริยาบถมันเป็นการทำงานทางความคิดเราก็สามารถใช้ความคิดอย่างมีสติได้คือกำกับใจให้อยู่กับเรื่องที่คิดไม่วอกแวกไปไหนหรือเวลาเราพูดเราคุยตอนคุยมันก็ไม่ต้องสร้างจังหวะไม่ต้องคลึงนิ้วให้จิตมาจับอยู่ที่คำพูดมีสติคอยกำกับจิตให้อยู่ที่คำพูดไม่ให้ปรุงไปทางอื่น ไม่ใช่ว่าเขากำลังคุยกับเราอยู่ใจเรากลับไม่ได้ฟังไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนอย่างนี้แสดงว่าเราไม่มีสติแล้วหรือว่ากำลังอ่านหนังสืออยู่ปัจจุบันขณะตอนนั้นก็คืออ่านหนังสือไม่ใช่อ่านไปคลึงนิ้วไปไม่ใช่เราก็เอาการอ่านนั้นเป็นปัจจุบันคือมีสติอยู่กับการอ่านไม่ใช่ฟุง้งซ่านไปทางอื่น หรืออ่านแล้วเกิดความตื่นเต้นสยดสยองก็ลืมตัวตะลิศไปกับอารมณ์นั้นหรือเพลินจนลืมเวลาไม่รู้เว ล, เวลาไม่อยากนอนไม่อยากไปทํางานนี่เรียกว่าไม่มีสติอ่านอย่างมีสติคือมีใจจดจ่ออยู่กับการอ่านนั้นเวลาเผลอฟุ้งไปทางอื่นก็ดึงจิตกลับมาที่หนังสือขณะเดียวกันก็รักษาจิตใจเป็นปกติ ไม่เสียสมดุลไม่จมอยู่กับความเครียดหรือเผลอไปกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการอ่านถึงเวลานอนหรือเวลาทำงานก็ปิดหนังสือไปนอนไปทำงานเสร็จธุระแล้วก็ค่อยกลับมาอ่านใหม่ก็ได้สิ่งที่เป็นปัจจุบันนั้นมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสุดแท้แต่เหตุการณ์แต่ถ้าเรารู้หลักการปฏิบัติทำอะไรก็ตามไม่ว่าเป็นการใช้อิเลยาบททางกาย หรือการใช้ความคิดก็ให้เอาสิ่งนั้นเป็นปัจจุบันแล้วให้มีสติอยู่กับสิ่งนั้นเวลาเราจะทบทวนการงานที่เคยทำในอดีตเราก็ทำได้อย่างมีสติอย่างนี้ไม่เรียกว่าอยู่กับอดีตการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าห้ามกลับไปทบทวนเรื่องที่ผ่านมาหรือห้ามการวางแผนในอนาคตถ้าเราทำอย่างมีสติ การกลับไปประเมินผลงานในอดีตหรือการกลับไปวางแผนสําหรับอนาคตก็ถือว่าเป็นปัจจุบันคือเป็นงานที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันเป็นกิจในปัจจุบันขณะถ้ามีสติจะช่วยให้ทบทวนอดีตหรือวางแผนอนาคตได้ดีไม่วอกแวกกังวลหรือวิตกว่าจะผิดพลาดอย่างอดีตไม่เอาความผิดพลาดในอดีตมาหลอกล่อนจนเกรงไปหมด การอยู่กับปัจจุบันนี้เป็นเรื่องสาคัญถ้าเราอยู่กับปัจจุบันอย่างนี้ได้การทํางานทาการจะสนุกมากเลยคนที่ทํางานไม่สนุกก็เพราะชอบคิดถึงอนาคตคิดอยู่นั่นแหละว่าเมื่อไรจะเสร็จสักทีจะได้ไปเที่ยวหรือจะได้เงินค่าตอบแทนบางทีก็ไปห่วงโล่งหน้าว่าถ้างานออกมาไม่ดีเราจะต้องโดนเล่นงานแน่แนคิดแบบนี้ก็ทาให้เครียดได้ หรือไม่เวลาปฏิบัติก็คิดอยู่นั่นแหละว่าอีกสองวันเราก็ต้องกลับบ้านแล้วตอนนี้ยังปฏิบัติได้ไม่ถึงไหนเลยไปห่วงกับอนาคตแบบนี้ก็ทำให้ทุกกับการปฏิบัติได้คนที่ปฏิบัติโดยไม่พวงถึงวันกลับคิดแต่ว่าจะทำตอนนี้ให้ดีแบบนี้จะปฏิบัติโดยไม่เครียดหรือเวลาทางานก็คิดแต่ว่าจะทาตอนนี้ให้ดีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไม่สนใจ งานจะเหลืออีกมากเท่าไหร่ก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์ถ้าทำใจได้แบบนี้ก็จะสนุกกับการทำงานเหมือนกับเวลาเราเดินถ้าแจ เ, าเราไปอยู่ที่เป้าหมายแล้วทั้งที่เรายังอยู่แค่กลางทางเราจะเหนื่อยได้ง่ายไม่ใช่เหนื่อยกายแต่เหนื่อยใจพอเราไปคิดถึงอนาคตหรือจุดหมายกลายทางเมื่อไหร่จะเกิดอะไรขึ้นเราจะรู้สึกรน กังวลว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีนะคนเราทุกเพราะเหตุนี้เยอะเลยทุกเพราะการเดินทุกเพราะการทํางานเพราะเราไม่อยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเดินแต่ละก้าวอยู่กับการทํางานแต่ละขณะไม่คอยเฉเง้อมองว่าเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วยังเราจะไม่เหนื่อยกับการเดินหรือการทํางาน ยิ่งถมีสติจดจอกับการเดินหรือการทํางานอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วจะเกิดสมาธิขึ้นจิตสงบเป็นสุขทําให้เพลินกับการเดินหรือการทํางานขอให้ระลึกว่าจุดหมายอยู่ที่ปลายเท้าไม่ใช่อยู่ข้างหน้าให้เอาแต่ละก้าวเป็นจุดหมายย่างแต่ละก้าวก็เท่ากับถึงจุดหมายของแต่ละก้าวแล้วสติช่วยให้เราตระหนักว่า เราถึงจุดหมายทุกย่างก้าวเดินอย่างมีสติมันต่างจากการเดินของคนทั่วไปที่คิดจะไปให้ถึงไวๆก็เลยจ้ำเอาจ้ำเอาโดยเหนื่อยแต่ถ้าเดินอย่างมีสติทุกขณะมันถึงอยู่แล้วในเวลาเดียวกันทุกขณะก็เป็นการผ่อนคลายไปในตัวถึงทุกก้าวและได้พักทุกก้าวสมัยที่ท่านอาจารย์พุทธทาสยังมีชีวิตอยู่ ส่วนโมคมีการก่อสร้างสาลาและตึกคนก็ชอบมาถามท่านว่าเมื่อไรจะสร้างเสร็จสักทีท่านก็ตอบว่าเสร็จทุกวันแหละสร้างทุกวันก็เสร็จทุกวันแต่ละขณะนี้ถ้าเรามองให้เป็นก็เสร็จอยู่ทุกขณะเตินแต่ละเก้าก็ถึงทุกเก้าการทำงานถ้าเรามีสติก็เสร็จถึงทุกขณะแต่เมื่อไรเราเผลอไผล ถาลายไปคิดถึงอนาคตว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีก็เตรียมใจทุกได้เลยถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันเราจะมีความสุขกับกิจนั้นๆมีความสงบใจและเพลินกับกิจนั้นๆแต่เพลินแล้วอย่าลืมเว ล, เวลาลืมนัดหมายลืมนอนถ้าลืมก็ไม่มีสติแล้วการทํางานแม้จะเพลินมีสมาธิแต่ก็ต้องรู้ว่า เมื่อไรหร่ควรเลิกการอยู่กับปัจจุบันให้เป็นจะทำให้เรามีความสุขในปัจจุบันโดยไม่ต้องรอความสุขจากอนาคตคนเดี๋ยวนี้ทำงานก็ไม่เป็นสุขในขณะทำงานเพราะไปคอยความสุขเมื่อเสร็จงานแล้วคิดว่าเสร็จงานแล้วจะได้พักบ้างหรือได้เงินค่าจ้างบ้างเนียเรียกว่าคอยความสุขจากอนาคตแต่อนาคตนั้นมันยังมาไม่ถึง ความสุขจากอนาคตมันจึงเป็นแค่ความคิดไม่ใช่ของจริงขณะเดียวกันของจริงคือความสุขในปัจจุบันก็เข้าไม่ถึงเพราะใจไปอยู่กับอนาคตเป็นอันว่าความสุขในปัจจุบันก็ไม่ได้ความสุขในอนาคตก็ยังมาไม่ถึงจึงอดได้ทั้งสองอย่างถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเป็นคือสามารถชื่นชมและสัมผัสกับความสุขซึ่งเราเราอยู่แล้วขณะนี้ ตรงนี้และจากงานที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ต่อไปเราก็จะสามารถชื่นชมและเข้าถึงความสุขจากสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้เวลานี้ได้ไม่ยากนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนสมัยนี้เพราะคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตนมีตนเป็นเท่าไหร่คอยคิดแต่ว่าถ้าฉันมีเงินมากกว่านี้รูปหล่ อ, อ ก, กว่านี้มีรถคันใหญ่กว่านี้ มีบ้านที่รูกว่านี้มีแฟนสวยกว่านี้ฉันจะมีความสุขอย่างยิ่งคนเราชอบคิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถ้าคิดอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นสุขในปัจจุบันก็ไม่ได้สุขในอนาคตก็ยังมาไม่ถึงเรียกว่าเสียสองซ้อนเลยสุขในปัจจุบันก็ไม่ได้เพราะไปคิดเสียแต่แรกแล้วว่าที่เรามีตอนนี้มันยังดีไม่พอ เสร็จแล้วไปคอยความสุขจากอนาคตจากเงินก้อนใหม่เฉลารถคันใหม่บ้านหลังใหม่แฟนคนใหม่จากตำแหน่งใหม่ซึ่งร้นเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสุขในอนาคตก็ยังมาไม่ถึงส่วนสุขในปัจจุบันก็ไม่สนใจก็เลยเสียทั้งสองอย่างมันจะเหมือนกับนิทานอีศพที่ว่าหมาคาบเนื้อกาลังข้ามสะพานพอมันมองไปที่ลาพุ้ย เห็นเงาของมันในน้ําในเงานั้นมีเนื้อชิ้นใหญ่คาบอยู่ในปากมันอยากได้เนื้อชิ้นนั้นก็เลยอ้าปากเพื่อที่จะไปงับเนื้อในเงาน้ํานั้นพออ้าปากชิ้นเนื้อที่คาบอยู่ก็หลุดตกน้ําเนื้อในน้ําก็เลยหายไปเพราะเป็นแค่เงามันก็เลยอดทั้งสองอย่างนี่เป็นเพราะมันไม่พอใจในสิ่งที่มันมีอยู่ไปอยากได้เนื้อที่เป็นแค่เงา ถ้ามันพอใจเนื้อที่มันคาบอยู่ก็สบายไปแล้วคนเราต้องระวังถ้าไม่อยู่กับปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนี้แหละพลาดทั้งสุขในปัจจุบันและสุขในอนาคตคนทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็มีความทุกข์เพราะเหตุนี้ทุกข์เพราะละเลยความสุขในปัจจุบันสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันถ้าดูให้ดีมันเป็นสุขอยู่แล้วแต่เราดูไม่เป็นก็เลยไม่รู้สึกเป็นสุข เราไม่คิดไม่เฉลียวใจบ้างหรือว่าเรากำลังมีสุขอยู่แล้วด้วยสุขภาพขณะ น, นี้ถ้าเราลองล้มป่วยสักทีเราถึงจะนึกเสียดายว่าโอ้ตอนที่เรามีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ไข้นั้นเป็นสุขแล้วพอเราเริ่มปวดหัวเป็นไข้ถึงค่อยมาได้คิดว่าตอนที่เราเป็นปกตินั้นเป็นความสุขพอความปกติเสียไปถึงเห็นคุณค่าของความปกติว่าเป็นสุข ในทำนองเดียวกันลมหายใจที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นสิ่งมีค่าอย่างยิ่งแต่เราไม่ค่อยเห็นค่าเท่าใดแต่เมื่อลมหายใจของเราเริ่มจะขาดหายไปเราถึงนึกได้ว่าที่เรามีลมหายใจอยู่นั้นเป็นสุขอย่างยิ่งเราจะต้องรอให้สูญเสียไปอีกมากเท่าไรถึงจะค่อยมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้นี่เป็นคาถามที่อยากจะฝากไว้ ให้คิดกัน